แนะนำบทอัลฮัจบทอัลฮัจเป็นบทมารดายะมี24องค์การแกนหลักของบทนี้คือการกล่าวถึงสงครามบ An ันีอันนาดีซึ่งเป็นตระกูลหนึ่งของชาวยิวที่ผิดสัญญากับท่านรอนซูลสุลลัลฮุอะไลฮุซัลลัมท่านจึงขับไล่พวกเขาให้ออกจากนครบาดีนะดังนั้นอิบนูอับบาสจึงเรียกบทนี้ว่าบท บานีอันนาดี์ในบทนี้ได้กล่าวถึงพวกมูนาฟิกีนที่ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับพวกอยู่โดยสรุปแล้วคือเป็นบทที่พูดเกี่ยวกับสงครามการศีลสละและทรัพย์สินเฉลิ่งบทนี้ได้เริ่มโดยการให้ความบริสุทธิ์แด่ลอและแท่ ส, สองสดุดีโปรง่งจากกวานที่ประกอบด้วยมนุษย์สัตว์พืชพันธุ์และวัตถุต่างก็ยืนยันให้ความเป็นเอกภาพแด่แลอเดชาลุภภาพของโรง่ง และความยิ่งใหญ่ของกลุ่มบท น, นี้ได้กล่าวถึงทรัพย์สินเฉลยที่ยึดมาได้โดยชีย้แจงถึงเงื่อนไขและบทบัญญัติของทรัพย์สินนั้นและได้เปิดเผยถึงเคล็ดลับในการกําหนดทรัพย์สินเฉลยให้แก่ผู้ยากจนขัดสนและเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชนชั้นต่างๆในสังคมอันจะก่อให้เกิดผลดีแก่ทั้งสองฝ่ายและบรรลุ ถ, ถึงซึ่งผลประโยชน์ทั่วๆไป บทนี้ได้กล่าวสรรเสริญถึงบรรดาสาวกของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะไลฮุสัลลัมโดยได้กล่าวถึงชื่อเสียงเกียรติยศของบรรดาชาวมูฮัยยุรีนและความดีงามของบรรดาชาวอันซอรเมื่อกล่าวถึงชาวมูฮัยยุรีนและชาวอันซอบรบทนี้ก็ได้กล่าวถึงพวกมูนาฟิกีนซึ่งพวกเขาได้ทําสัญญาเป็นธันธมิตรกับชาวยิวเป็นปฏิบัติต่ออิสลาม บท น, นี้ได้เตือนบรรดาผู้ศรัทธาให้ลึกถึงวันอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งบรรพบรุษนักเครือญาติจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่เขาเลยเกียรติยศและทรัพสมบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดเช่นกันและได้ชี้ให้ทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างชาวสวรรค์กับชาวนรกบทได้จบลงด้วยการกล่าวถึงพระนามของอัลลอ์และคุณลักษณะอันสูงส่งของปรุงเช่นนี้แหละ ที่การเริ่มต้นและการลงท้ายสอดคล้องกันอย่างดีด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงปรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแท้สองสะดุดีแด่ Allah هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ذيالهم لأول الحشر ما ظنتم أي يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من َ الله فأتاهم َ الله من ِ حيث ُ لم يحتسبوا รรพระองคงเป็นผู้ทรงทำให้บรรดาผู้ปฏิเสธสัตยานในหมู่ชาวคำีออกจากบ้านเรือนของพวกเขาเป็นครั้งแรกของการถูกไล่ออกเป็นกลุ่มๆพวกเจ้าไม่ได้คาดคิดกันเลยว่า พวกเขาจะออกไปในสภาพเช่นนั้นและพวกเขาคิดว่าป้อมประการของพวกเขานั้นจะป้องกันพวกเขาให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอ์ได้แต่แล้วการลงโทษของอัลลอฮ์ก็ได้มีมายังพวกเขาโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยและพระองค์ทรงทาให้ความหวาดกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขาโดยพวกเขาได้ทำลายบ้านเรือนของพวกเขาด้วยน้ามือของพวกเขาเอง และด้วยน้ำมือของบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นพวกเจ้าจงยึดถือเป็นบทเรียนเถิดโอ้โผู้มีสติปัญญาทั้งหลายและหากไม่ใช่เพราะอัลลอ์ได้ทรงกำหนดการในประเทศแก่พวกเขาแล้วแน่นอนพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาในโลกนี้ และสำหรับพวกเขาในปรโลกนั้นก็คือการลงโทษแห่งนรกทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาต่อต้านอัลลอ์และรอศูลของพระองค์และผู้ใดต่อต้านอลัลลอถ์แท้จริงอัลลอ์เป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรบงบ ين ين การที่พวกเจ้าค้นต้น อ, อินทพลัลหรือปล่อยให้มันยืนไว้บนรากฐานของมันนั้นนั่นก็เนื่องด้วยอนุญาตของอัลลอฮ์และเพื่อที่พระองค์จะทำให้บรรดาผู้ฝ่าฝืนได้รับความอัปยาย الله على رسوله منهم فما أوجدتم فما أوجدتم ل ي ِ من قيله ولا ركابه ولكن الله يسلك رسلا ولكن الله يسلك رسلا على م ن يشاء والله على كل شيء قدير และสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงให้าศาสนาทูตของพระองค์ยึดมาได้จากพวกเขาคือพวกชาวอยู่พวกเจ้าไม่ได้เหน็ดเหนื่อยด้วยการขี่ม้าหรือขี่อูดออกไปแต่รอดทรงให้บรรด า, าศาสนาทูตของพระองค์เมียมนาศเหนือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แ ล, ล้วรอดนั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพ ما أفا الله على رسوله من أهل ا ل ق ر ى ف لله ولرسول ل ولذ القبة ولذ القبة واليتامى والمساكين و ا ب ن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. และสิ่งใดที่พระองค์ทรงให้ศาสนาทูตของพระองค์ยึดมาได้จากชาวเมืองที่ปฏิเสธศรัทธามันก็เป็นสิทธิของอัลลอ์และศาสนาทูตและญาติสนิทและเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและผู้เดินทาง เพื่อมันจะมิได้หมุนเวียนอยู่ในระหว่างผู้มั่งมีของพวกเจ้าเท่านั้นและอันใดที่รอซูลได้นํามาอย่างพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงละเว้นเสียพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิดแพ้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรง ลล ah. ah um สิ่งที่มาได้จากชาวอยู่เป็นของบรรดาผู้อพยพที่ขัดสน ซึ่งถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาและทอดทิ้งทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อแสวงหาความโปรดปานจากอัลลอฮ์และความพอพระทัยของพระองค์และพวกเขาจะช่วยเหลืออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ชนเหล่านั้นคือผู้ที่พูดจริง <c oughs> ระบนาผู้ที่ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นครมาดีนะ คือชาวอันซอร์และศรัทธามาก่อนหน้าแล้วพวกเขาจะรักใคร่ผู้ที่อพยพมายังพวกเขาและจะไม่พบความต้องการหาหรือความอิจฉาอยู่ในสวงอกของพวกเขาในสิ่งที่ได้ถูกประทานให้และให้สิทธิแก่ผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเองถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความต้องการอยู่มากก็ตามและผู้ใดปกป้องความจรรยาที่อยู่ในตัวของเขา ชนเหล่านั้นคือผู้ที่ประสบความสำเร็จและบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขา โดยพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราได้โปรดอภัยโทษให้แก่เราและพี่น้องของเราผู้ซึ่งได้สถาคก่อนหน้าเราแล้วขอพระองค์อย่าได้ให้มีการเครียดแค้นเกิดขึ้นในวใจของเราต่อบรรดาผู้สถาโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอน็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ل ئ ْ أخرجتم ل نخرج من معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم و ل َ نصرن َّ ك م والله يشهد إنهم لكاذبون. جاء رغبوا บรรดาผู้กลับกรอกกล่าวแก่พี่น้องของพวกเขาที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคำภีว่าหากพวกเจ้าถูกไล่ออกแน่นอนเราก็จะออกไปพร้อมกับพวกเจ้าด้วยและเราก็จะไม่เชื่อฟังปฏิบัติตามผู้ใดเป็นอันขาดเกี่ยวกับพวกเจ้าและหากพวกเจ้าถูกโจมตีแน่นอนเราจะช่วยเหลือพวกเจ้าและขออัลลอฮ์ทรงเป็นพยานเถิดว่าแท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเพ็จ หากพวกเขาถูกขับไล่ออกไปบรรดาผู้กลับกรอกเหล่านั้นก็จะไม่ออกไปพร้อมกับพวกเขา และถ้าพวกเขาถูกโจมตีบรรดาผู้กลับกรอกก็จะไม่ช่วยเหลือพวกเขาหากบรรดาผู้กลับกรอกช่วยเหลือพวกเขาแน่นอนบรรดาผู้กลับกรอกก็จะผินหลังหนีไปในที่สุดพวกเขาชาวยิวก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือแน่นอน พวกเจ้านั้นเป so, ็นที่หวาดกลัวอยู่ในสวงอกของพวกเขายิ่งกว่าที่พวกเขามีต่ออัลลอฮ์ทงนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่เข้าใจ พวกเขาทั้งหมดจะไม่ต่อสู้กับพวกเจ้าเว้นแต่ในตาบลที่มีป้อมประการหรือจากเบื้องหลังของกแาแพงการเป็นศัตรูระหว่างพวกเขากระเงงนั้นรุนแรงยิ่งนักเจ้าเข้าใจว่าพวกเขารวมกันเป็นปึกแผ่นแต่ความจริงแล้วจิตใจของพวกเขาแตกแยกกันทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่ใช้สติปัญญาไข้ขวด S <S <ess> สภาพของพวกเขาดังอุปมาสภาพของบรรดาชาวอยู่ก่อนหน้าพวกเขาเพียงเล็กน้อยซึ่งพวกเขาได้ลิ้มรสผลร้ายแหย่งการงานของพวกเขาและการลงโทษอันเจ็บปวดจะประสบแก่พวกเขา <S <S <ess> อุปมาอย่างนังชัยตอนเมื่อมันกล่าวแขมนุษย์ว่าจงปฏิสเสธศรัทธาเถิดคั้นเมื่อเขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วมันก็กล่าวว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากเจ้าแท้จริงฉันกลัวอัลลอ์พระผู้อมิบาล แาสาโกกลลดังนั้นบ้านปลายของพวกเขาทั้งสองคือพวกเขาทั้งสองจะอยู่ในนรกโดยเป็นผู้พมนักอยู่ตลอดกาลและนั่นคือการตอบแทนบรรดาผู้อาธรรม الله الله ب ب โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงยำเกรงอลัลลอ์เถิดและทุกชีวิตจงพิจารณาดูว่าอะไรบ้างที่ตนได้เตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้คือวันกิยามะ และจงยำเกรงอลัลลอ์เถิดถ้าจริงอลัลลอ์นั้นทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและพวกเจ้าอย่าได้เป็นเช่นบรรดาผู้ที่ลืมอลัลลอ์แ ล, ล้วอัลลอ์จะทรงทำให้พวกเขาลืมตัวของพวกเขาเองชนเหล่านั้นคือผู้ที่ฝ่าฝืน ة ه ชาวนรกกับชาวสวรรค์ น, นั้นไม่เหมือนกันแนะ่ชาวสวรรค์จะเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จ หากเราประทานอัลกุรอานนี้ลงมาบนภูเขาลูกหนึง่งแน่นอนเจ้าจะเห็นมันนอบน้อมแตกออกเปน็นเสียงเสียงเนื่องจากความกลัวล้อ อุปมาหเหล่านี้เราได้ยกมันมาเปรียบเทียบสำหรับมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้พิจารณาไข้ปวดพระองค์คืออัลลอฮ์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใด น, นอกจากพระองค์ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยพระองค์คือผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ พระองค์คือ Allah ؤ م ن ไม่มีใครเทียบได้นอกจากพระองค์พระองค์คือ Allah ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดผู้ทรงบริสุทธิ์ ผู้ทรงสันติผู้ทรงคุ้มครองการศรัทธาผู้ทรงปกป้องรักษาความปลอดภัยผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงความยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรอัลลอฮ์ผู้ทรง ม, มหาบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีโอลลอฮุลขาลิกุลบาริอุลมุซิรละหุลอัสมาลฮุสนา สพบบระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงบังเกิดผู้ทรงทำให้เป็นรูปร่างสำหรับพระองค์มีพระ น, นามอันสวยงามสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแท้สองสะดุดีพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ